เรื่องพระกัิรวนิยะเรวตะเถระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพระเรวตะเถระผู้อยู่ป่าไม้สแกคาทิระแปลว่าไม้สแกก็มีไม้ตะเคียนก็มีความพิสดารว่าท่านพระสาวรีบุตรละรัพยป87เจดโกรธบวชล่าชักชวนน้องสาวสามคน ชือนางจาลาอุปจาราและศีสุปจาราและน้องชายสองคนคือนายจุนทะและอุปเสนะให้บวชแล้วคงเหลือเรวตะผู้เดียวมารดาคิดจะผูกเรวตะบุตรสุดท้องไว้ครองเรือนครองสมบัติตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแต่พระสาวรีบุตรประสงค์จะให้บวชจึงสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ว่าแม้เรวตะมาให้บวช แม้ไม่บอกลามารดาเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมารดาจัดพิธีแต่งงานให้เรวัตากูมารขณะอายุได้เจ็ดขวบขณะประชุมญาติทําการมงคลพวกญาติให้เขาทั้งสองคือบ่าวสาวจุ่มมือลงในถาดน้ําแล้วกล่าวมงคลว่าขอเจ้าทั้งสองจงเห็นธรรมอัญญายของเจ้าเห็นแล้วจงเป็นอยู่สิ้นกาลนานเหมือนยายของเธอ เรวัตตาคิดว่าอะไรหนอเป็นธรรมคือธรรมะอัน ญ, ญายเห็นแล้วจึงถามหายายว่าคนไหนญาติต่างชี้ไปที่คนมีอายุหนึ่งร้อปีมีฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงดุดกรอนเรือนเรวัตตาแลเห็นหญิงนั้นก็รู้ว่าแม้ตนเองและเจ้าสาวก็ต้องแก่และเป็นอย่างนั้นจึงคิดหาอุบายออกบวชเสียแต่ในวันนี้ ขณะขบวนแห่ส่งตัวเข้าหอเขาทำอุบายเป็นปวดอุจจาระแล้วแล้วเล่า ว, ว, ว, ว่ามีอาการท้องเสียเขาหนีไปแล้วสู่สำนักแห่งภิกษุประมาณ30สบรูปบวชแล้วเรียนกรรมฐานแล้วถือบาลรจีวรเจ้าริกไปสู่ดงไม้สแกในที่ประมาณ30สโยน์อยู่จำพรรษาสามเดือนภายในพรรษาบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายขณะยังเป็นสามเณร น, นั่นเอง พระสสดาเสด็จไปพร้อมด้วยพระสาวรีบุตรพระอนนท์พระศิวลีละภิกษุห0 0รูปเสด็จไปทางกันดาลแต่เป็นทางลัดมีอามนุษย์คุ้มครองอาศัยบุญพระศิวลีเทระดำเนินไปเทวดาทั้งหลายทำการสการะแก่พระศิวลีเทระด้วยสร้างวิหารในระหว่างทางโยชนึงหนึ่ ง, งมีวัตถุเข้าต้มเป็นทิพเป็นต้นตลอด30โยชน ฝ่ายพระเรวตาเถระบรรลุอรหัตขณะเป็นสามเนนทราบการเสด็จมาของพระศาสดาจึงเนรมิตรพระคันธ ก, กุฎีเพื่อพระศัสดานิรมิตรเรือนยอดห้าร้อที่จงกรมห้าร้และที่พักกลางคืนและกลางวันห้า้อพระศัสดาประทับอยู่สิ้นกาหนึ่งเดือนทรงเสวยบุญของพระศีวลีเทระนั่นเองด้วยเหล่าเทวดาถวายพัตตาหารเป็นทิพย์แก่พระศิวลีเทระ ภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันว่านาวกรรมก่อสร้างวิหารที่พักมากมายเหล่านี้จะมีเวลาเจริญสมณธรรมได้อย่างไรพระศัสดาคงจะเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอนี้พระศัสดาทรงทราบวาราจิตของภิกษุที่สนทนากันนั้นจึงทรงอธิษฐานให้ภิกษุเหล่านี้ลืมบริหารมีหลอดน้ามันลักจันคือคนโทน้า และรองเท้าของตนไว้แล้วเสด็จกลับพร้อมหมู่ภิกษุบริวารขณะเสด็จออกไปนอกวิหารทันใดนั้นฤทธิ์คลายแล้วสภาพวิหารทั้งหลายกลายเป็นป่าไม้ดังดุดเดิมครั้งนั้นภิกษุผู้ลืมสิ่งของจึงพากันกลับมาถูกหนามไม้สแกแทงไม่ลลยเห็นสภาพวิหารเรือนยอดทั้งหลายพบแต่สิ่งของของตนของตนห้อยอยู่ที่ต้นสแแ ถือเอาแล้วหลีกไปครั้นพระศาสดาเสด็จเข้าสู่บุพารามแต่เช้าตรู่นางวิสาขาถวายอาคันตุกะพัดแล้วสอบถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตเถระแก่พระศาสดาภิกษุบางพวกกล่าวว่าที่นั่นรกมีแต่นามสแคว ร, ราวกับที่อยู่ของเปรตบางพวกกล่าวว่าน่ารื่นรมไม่อาจพานานาได้ที่อยู่ของพระเถระเป็นเช่นกับเทวสภาชื่อสุธรรมมา อุบาสิกาคิดว่าเหตุใดภิกษุจึงกล่าวไม่เหมือนกันจึงทูลถามพระศาสดาพระศัสดาต ร, รัสว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมแท้ทรงตรัสพระคาถาว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิสถาน่นารื่นรมในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นครั้งนั้นพระศาสดาทรงตรัสบุพกรรมของพระศิวลีเทระซึ่งภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าเพราะเหตุใดท่านพระศิวลีเทระจึงอยู่ในท้องของมารดาตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน เพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิศเป็นผู้มีลาบมียศอย่างนั้นตรัสบุพกรรมของพระสิวลีเทระว่าภิกษุทั้งหลายในกับที่91แต่กับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเสด็จเที่ยวเจ้าริกไปและกลับมาสู่นครของพุทธบิดาพระราชาทรงตระเตรียมอาคารตุกาทาน และร้องเปล่าให้ชนทั้งหลายในเมืองถวายทานทรงดำริว่าจากถวายทานให้ยิ่งใหญ่กว่าทานของชนชาวเมืองไม่ให้แพ้ชาวเมืองส่วนชาวเมืองก็จะไม่ให้ทานแพ้พระราชาให้จงได้ชาวเมืองคิดว่าเราจะถวายทานให้เลิศ ก, กว่าอันชื่อว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของเราเป็นไม่มีแล้วตรวจดูว่าอะไรน้อยังไม่มีในทานนี้ ไม่ได้เห็นน้ำพึ่งสดจึงส่งคนถือเอาซับสี่พันไปสู่ประตูพระนครทั้งสี่เพื่อต้องการน้ำพึ่งดิบครั้งนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งเพื่อจะเยี่ยมในบ้านเห็นรวงพึ่งจึงถือเอาตั้งใจว่าจะนําไปให้ในบ้านบุรุษชาวเมืองผู้ต้องการน้าพึ่งพบแล้วจึงถามขอซื้อคนบ้านนอกไม่ขายถูกอ้อนวอนขอซื้อและให้ราคาจนถึงพันกหาปณะนะ จึงถามถึงเหตุบุรุษชาวเมืองจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าได้ตระเตรียมถวายทานเลิศแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมภิกษุ6ล้านแปแสนเป็นบริวารคงขาดน้ำพึ่งดิบอย่างเดียวเท่านั้นคนบรร น, นอกนั้นเมื่อคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นจะให้ด้วยไม่คิดราคาขอส่วนบุญนี้แก่ข้าพเจ้าบ้างเขาจึงรับว่าสาธุขอจงเป็นผู้ได้รับส่วนบุญเถิด ชาวเมืองทั้งหลายให้คนนำถาดทองคำใบใหญ่มาให้บีบรวงพึ่งและนมส้มลงในถาดเคล้ากันได้ถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแม้ถวายน้ำพึ่งรบภิกษุทุกรูปแล้วน้ำพึ่งก็ไม่ได้หมดไปกลับเหลือเกินไปด้วยซ้ำด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าอันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นอจินไตเรื่องไม่กวนคิด ข้อนี้คือเรื่องบางเรื่องต้องรอให้ปัญญาถึงพร้อมบารมีถึงพร้อมก่อนซึ่งเรื่องบางเรื่องถ้าไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางคิดได้เหมือนเด็กน้อยที่ยังบวกเลขไม่ได้ก็ไม่มีทางจะแก้สมาการยา ก, ยากได้เช่นกันนะครับบุรุษผู้ให้น้ําพึ้งกระทํากรรมเพียงเท่านี้แล้วทากาละตายไปบังเกิดในเทวโลกจติจากเทวโลก บังเกิดในราชตระคูลในกรุงพาราณสีเมื่อราชาพิเศษแล้วเท้าเธอทรงดาริว่าจากยึดเอาพระนครหนึ่งจึงยกทัพไปล้อมนคร น, นั้นไว้สิ้นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันพระมารดาทรงแนะนำพระราชาให้ปิดประตูเล็กๆ ล, ล้อมพระนครมิให้ชาวเมืองเข้าออกได้ก็ทรงทำอย่างที่พระมารดาแนะนำ วันที่เจ็ดชาวเมืองเข้าออกพระนครไม่ได้จึงจับพระราชาของตนปลงพระชนแล้วถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นเท้าเธอทรงทากรรมนี้แล้วไปบังเกิดในเอเวจีจุติเคลื่อนจากอัตภาพนี้ไปปฏิสนธิในท้องของพระมาดาอยู่ในพระคันสิ้นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนอนขวางอยู่ที่ปากกำเนิดสิ้นเจ็ดวันรอกกรรมที่ปิดประตูเล็กๆทั้งสี่ เป็นผู้เลิศทางมีลาบมียศเพราะความที่เธอถวายน้ำพึ่งใหม่ด้วยประการอย่างนี้พระศาสดาทรงชมเชยพระเรวตะเทราว่าภิกษุทั้งหลายเรวตะบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะบุญและบาปทั้งสองเธอละเสรแล้วทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าบุคคลใดในโลกนี้ ลวงเครื่องค้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่โศกเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีเป็นผู้หมดจดว่าเป็นสมณะพราหมณ์อธิบายคำว่าลวงเครื่องค้องสองอย่างคือบุญและบาปได้หมายความว่าละเว้นความชั่วทาบุญกุศลกรรมความดีแล้วละทั้งบาปและบุญ จึงได้ชื่อว่าล่วงเครื่องคล้องได้แล้วกล่าวด้วยสรุปคือกรรมที่มีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมไม่มีวิบากเป็นผลเป็นศัตรวากระทาของกิริยาจิตถ้ายังคล้องอยู่กับบุญก็มีผลวิบากกุศ ล, ลกรรมต้องไปเกิดไปเสวยบุญจึงกล่าวว่าบุญบางนิพพานไม่ยึดบุญทิ้งบุญก็ถึงนิพพาน คนส่วนใหญ่ติดดีติดบุญละดีละยากแท้จริงเทียวจึงถึงนิพพานยากยิ่งด้วยประการฉนี้